อาคารบ้านเรือนในโลกทิพย์ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวอยู่บ่อยบ่อยถึงเรื่องอาคารอันมโหฬารในโลกทิพย์แต่ยังไม่ได้เคยแจ้งให้ท่านทราบเลยว่าเราสนใจหรือชอบอาคารอันมีส่วดทรงในทางสถาปัตยกรรมแบบไหนอันที่จริงที่นี่มีอาคารอยู่ทุกรูปทุกแบบของทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่สมัยแรกเท่าที่รู้กันในโลกมนุษย์จนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน แต่แบบที่ดูเหมือนว่าเราจะนิยมกันมากกว่าอย่างอื่นก็คือแบบที่เรียกว่าโกทิกนั่นเองในการก่อสร้างทุกๆแบบของทุกยุคสมัยนั้นเราได้เรียกช่างก่อสร้างของยุคนั้นๆจริงๆมาเป็นผู้ดำเนินการสถาปัตยกรรมแบบและสมัยต่างๆเหล่านี้แม้จะสวยงามอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้นไปอีกก็คือตัววัตถุที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั่นเอง และแม้ในกรณีที่เป็นอาคารนั้นสร้างขึ้นมาอย่างง่ายๆโดยไม่มีการประดับประดาอะไรเลยทั้งภายในและภายนอกก็ตามก็ยังเป็นภาพที่ชวนให้มองโดยไม่เบื่อตาอาคารทั้งมวล น, นับตั้งแต่กระท่อมที่เล็กไม่หรูราโออาไปจนถึงอาคารเรียนอันมโหลานล้วนมีสภาพใหม่อยู่ตลอดการโดยวัตถุที่ก่อสร้างนั้นจะมีลักษณะใสเล็กน้อยและมีลักษณะคล้ายหินอลาบาสเตอร์ และสามารถจะเปลี่ยนสีไปได้ต่างๆกันสุดแล้วแต่ผู้ดูจะมีอารมณ์เช่นไรบางแห่งก็มีลักษณะคล้ายกับหอยมุกซึ่งสอดสลับสีเหลือบต่างๆกันทำให้เย็นตาเป็นอย่างยิ่งสีเหล่านี้จะไม่เข้มเกินไปในเมื่อมีอาคารอื่นอยู่ใกล้ชิดกันแต่เมื่อเป็นอาคารโด ด, โ ด, ดตั้งอยู่ห่างจากอาคารอื่นสีของอาคารนั้นก็จะเข้มขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่ถึงกับบาดตาหรือขัดกับภูมิประเทศแวดล้อมเลยแต่มีแบบของการก่อสร้างแบบหนึ่งซึ่งเราไม่นิยมกันเลยคือการก่อสร้างแบบโรงทหารซึ่งจะเป็นรูปทรงยาวหรือรูปอื่นก็ตามที่มีหน้าต่างเรียงรายกันไปเป็นแถวยาวเหยียดและดูแล้วหาความเจริญตาไม่ได้เลยสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเช่นนั้น จะเข้ากันไม่ได้เลยกับบรรยากาศและสภาวะแห่งจิตใจของเราผู้อยู่ในภูมินี้และด้วยเหตุนั้นจึงไม่มีการก่อสร้างกันด้วยเหตุผลง่ายๆที่ว่าสิ่งใดที่เราชอบมันก็จะยังคงอยู่แต่สิ่งใดที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนาจะให้มันดำรงอยู่มันก็จะสูญไปสิ่งที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่งก็คือการมีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่อยู่ในโลกทิพนี้กับโลกมนุษย์ เพราะในโลกทีมนี้การที่ท่านจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของสิ่งใดนั้นจะต้องได้มาด้วยเหตุประการเดียวคือความบริสุทธิ์หรือความประนีตของจิตเพียงพอสำหรับสิ่งนั้นๆสิทธิ์ที่อื่นนอกจากนี้เช่นการหาซื้อเอาด้วยเงินเป็นต้นจะไม่มีเลยและก็ไม่เคยมีอยู่เลยด้วยสิทธิ์ครอบครองดังกล่าวมานั้นย่อมขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตในโลกมนุษย์ประการหนึ่งคือเมื่อครั้งท่านยังเป็นมนุษย์ ได้สร้างสมกุศลไว้เพียงพอก็ยอมได้สิทธ์อันนั้นหรืออีกประการหนึ่งเมื่อท่านเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้วพยายามบำเพ็ญบารมีให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอาจได้สิทธ์นั้นมาในภายหลังก็ได้เหมือนกันด้วยเหตุดังกล่าวมาจึงมีบุคคลไม่น้อยที่เมื่อตายจากโลกมนุษย์มาสู่โลกทิพย์แล้วปรากฏว่ามีสมบัติอันเป็นทิพย์รออยู่เป็นจานวนมากมายกว่าที่เขาได้เคยมีอยู่ในโลกมนุษย์หลายต่อหลายเท่า และในทางตรงกันข้ามก็ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่กลับตรงกันข้ามคือทั้งๆที่เขาเคยมีสมบัติมหาศาลในโลกมนุษย์แต่เมื่อมาสู่โลกทิพย์แล้วก็ปรากฏว่าแทบไม่มีสิ่งใดเหลือติดตัวอยู่เลยแต่นั่นแหละถ้าหากเขารู้สึกตัวและพยายามสร้างกุศลหรือบารมีให้มากขึ้นไปในโลกทิพย์นี้<ๆ>เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสมบัติต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้ในภายหลังอีกเหมือนกัน ซึ่งจะมีคุณค่าและมีความงามกับทั้งจะให้ความบันเทิงมากกว่าที่เขาเคยได้มีและเคยได้ประสบมาในโลกมนุษย์เสียอีกถ้าหากข้าพเจ้าจะกล่าวว่าในโลกทิพนี้เราก็มีอาคารสำหรับครอบครัวอยู่เหมือนกันท่านอาจจะคิดไปในแง่ของชาวโลกมนุษย์ว่าคงจะเป็นของบุคคลในครอบครัวเดียวกันและห้ามไม่ให้คนภายนอกไปเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ ซึ่งไม่ตรงต่อความเป็นจริงเลยอาคารสำหรับครอบครัวดังกล่าวมานั้นเราสร้างขึ้นไม่ใช่ด้วยความมุ่งหมายจะ ก, การเอาไว้เป็นสิทธิในวงแคบๆเท่านั้นแต่อันที่จริงมีวัตถุประสงค์กว้างขวางกว่ามากโดยปกติอาคารชนิดนี้ในขั้นแรกก็สร้างกันขึ้นมาเป็นที่อยู่หลังเล็กๆตามธรรมดาแต่ต่อมาก็มีการต่อเติมกันเป็นครั้งเป็นคราวเป็นจานวนหลายครั้งหลายคราวขึ้นทุกที และการต่อเติมนี้ก็ไม่ได้กระทําไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของอาคารเองโดยตรงแต่เป็นไปเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางประการซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่อยู่ในภูมินี้ด้วยเท่าที่ข้าพเจ้าระลึกได้มีอาคารแบบนี้อยู่หลังหนึ่งซึ่งในขั้นแรกก็เป็นบ้านธรรมดาขนาดกลางเช่นเดียวกับที่อยู่ของข้าพเจ้าเหมือนกันเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นศิลปินและเป็นนักดนตรี เมื่อเขามาตั้งต้นชีวิตในที่นี่ใหม่ๆนั้นเขาก็มีความมุ่งหมายใกล้จะให้บ้านหลังน้อยของเขานี้เป็นศูนย์กลางของศิลปินและนักดนตรีอื่นๆอีกด้วยเพื่อว่าผู้ที่มีรสนิยมแบบเดียวกันจะได้มาสังสรรค์กันและหาความสำเราจกันในทางที่ตนถนัดมาแต่เดิมแต่ต่อมาวัตถุประสงค์ของเขาได้รับความสาเร็จเป็นอย่างดีโดยมีผู้ไปประชุมร่วมปรึกษาหารือและร่วมบันเทิงกันมากขึ้นทุกที จนทำให้บ้านหลังน้อยของเขานั้นเล็กเกินไปไม่พอที่จะทําให้ผู้ที่ไปร่วมประชุมกันนั้นได้รับความสะดวกได้ตามสมควรจึงได้มีการสร้างห้องเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งด้านนั้นบ้างทางด้านนี้บ้างเป็นอันว่าบ้านหลังนั้นก็ขยายออกไปเรื่อยๆจนต่อมาก็ได้สร้างเป็นห้องประชุมใหญ่ขึ้นเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ๆทั่วไปในโลกมนุษย์นับตั้งแต่นั้นมา ก็ปรากฏว่ามีผู้ไปเยี่ยมเยียนแสดงความสนใจในเรื่องนี้อยู่ไม่ได้ขาดบัตรนี้กล่าวได้ว่าบ้านหลังน้อยนั้นได้กลายเป็นอาคารที่สวยงามอย่างยิ่งและเป็นสถานที่น่าอยู่มากที่สุดหลังหนึ่งทีเดียวคณะของข้าพเจ้าเองก็เคยไปร่วมชุมนุมในการบันเทิงหน้าที่นี้เป็นครั้งคราวเหมือนกันในเมื่อเรามีเวลาว่างจากการงานเพียงพอเท่าที่กล่าวมานี้ ก็เพียงตัวอย่างประการหนึ่งเท่านั้นเพราะอันที่จริงยังมีอาคารประเภทเดียวกันนี้ที่แห่งอื่นอีกซึ่งมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปแต่ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวมเช่นเดียวกันอาทิเช่นอาคารเพื่อการศึกษาเป็นต้นซึ่งมีลักษณะาการก่อสร้างเป็นคนละอย่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับความประสงค์ในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะ